มีคนสองคนนะคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะแต่ว่าเขายอมรับได้กับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นไม่ตีโพยตีพายไม่บน่นโอดโอย<ม>ก็เลยจ่ายเป็นปกติได้อีกคนหนึ่งสุขภาพดีไม่ มีกินมีใช้งานการก็ดีแต่ว่าเพียงแค่หน้ามีสิวไม่กี่เม็ดใจยอมรับไม่ได้ที่หน้ามีสิวเขาคุณคิดกังวลเวลาส่องกระจกก็มีความหงุดหงิดไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นคนนี้นี่กลับทุกข์มากกว่าคนแรกได้ซ้ำ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 อาจจะเป็นเพราะว่ามีความคาดหวังว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉัน่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญทากุศลเขารรมาตั้งแต่ยังหนุ่มด้วยความเชื่อว่าการทำบุญทำกุศลเข้าวัดเข้าวานี้มันจะช่วยทาให้คล้าวคลาดปลอดภัย มีความสุขความเจริญมีอายุวันน้าสุขะพรละแล้วหนึ่งเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้เลยกลัวรู้สึกโกรธทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันทาดีแต่ไม่ได้ดีนอกจากเสียใจนอกจากโอดโอยไม่รู้จบแล้วนี่ก็ยังรู้สึกโกรธแค้นเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกหลอกให้ทาดี ไหนว่าบุญไหนว่าธรรมะจะคุ้มครองฉันไงละ่ะแล้วทําไมฉันเป็นมะเร็งไอ้คนที่ไม่ไม่รักษาศีลกินเหล้ามันยังมีสุขภาพดีไอ้พวกที่รักขโมยคอร์รัปชันทำไมมันไม่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าฉันทําความดีมาตลอดถึงเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้ต้องมีความทุกข์มากกลาดเกลียว ไม่ใช่กลายเกี่ยวชะตาการเป็นกลายเปี้ยวต่อคนที่อยู่รอบตัวทั้งหมอทั้งพยาบาลหาความสงบไม่ได้เลยแม้กระทั่งตอนใกล้จะตายก็ทุรนทุรายอันนี้พราะอะไรเพราะทำใจยอมรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความปวดจากมะเร็งนะไอ้ความปวดมะเร็งนี่มันเป็นทุกข์เวชนาทางกายแต่ว่ามันไม่หนักหนาเท่ากับความรู้สึกทุกข์ใจ ทุกใจเพราะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้ว่าทำไมทำความดีรักษาศีลถึงต้องมาเจอแบบนี้อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะก็ไม่ใช่คนธรรมธรรมโมนะแต่เป็นคนรักษาสุขภาพกินอาหารธรรมชาติโดยเพราะอาหารชีวจิตออกกำลังกายเป็นประจำไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้า แล้วก็รวมทั้งนะวิตามินยาทั้งหลายนะที่เาว่าป้องกันมะเร็งเช่นยาต้านอนุมูลอิสระก็กไปค้นควายหามาสาลานะที่มันช่วยต่อต้านมะเร็งได้ก็ไปซื้อมาราคาแพงแล้วนะืพ่อตัวเองเป็นมะเร็งก็จะมีปฏิกิริยาไา้คนแรกนะโกรธโมโหว่าทไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้น ก็เจ็บปวดมากรู้สึกผิดหวังอย่างแรงทุรนทุรายก้าวร้าวต่อผู้คนรอบข้างก็เช่นเดียวคนที่คนแรกคือว่าเขาก็ในสุขตายไม่สงบที่ตายไม่สงบไม่ใช่เพราะไอ้ความเจ็บปวดของมะเร็งแต่เป็นเพราะใจที่มันไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นชั้นได้ยังไงนะที่ไม่ยอมรับอะไรเพราะมีความคาดหวังว่าถ้ากินอาหารสุขภาพใช้ชีวิตถูกต้องมันต้องไม่เป็นอะไรน้อแค้วคาดปลอดภัยในการที่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันก็เลยทําให้ทุกข์ใจและทุกข์ใจก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กายให้หนักหนามากขึ้น ซึ่งนี้ต่างกับคนบางคนที่เขาพอเขาเป็นมันเลงแล้วเขาก็ยอมรับได้ทั้งที่เป็นมัเเลงที่รุนแรงน่ากลัวน่าเ ก, กลียดอย่างหมค อ, อ ค, นคนหนึ่งไปเจอคนไข้คนหนึ่งก่อนเจอเขาก็ได้ทราบคนไข้คนนี้เป็นมันเลงที่ใบหน้ามัเเ็งก็กัดกัดใบหน้าจนเป็นจนเป็นแผลรูใหญ่นะ ทั้งแก้มทั้งปากนี่หายไปแล้วคนที่เป็นมะเร็งแบบนี้นี่มีโอกาสที่ค่าตัวตายสูงมากในอเมริกานี่ค่าตัวตายถึง 25% เ์เพราะมันทั้งเจ็บปวดทั้งอับอายขายหน้าไม่สามารถจะไม่กล้าออกไปเจอหน้าผู้คนแผมก็เหม็นด้วยคนไม่อยากเข้าหารังเกียร หมอเวลาล่วจะไปเจอคนไข้คนนี้ก็หนักใจเพราะว่าเป็นคนไข้ที่น่าจะลําบากในการให้คําแนะนําแต่พอไปถึงคนไข้เข้า ก, กับโอภาบปลาใสาดีนัต้อนรับเหมือนคนปกติเพียงแต่พูดไม่ค่อยถนัดจะ ต, ต้องอยู่ในบ้านที่มันปิดมืดมืดทึบเพราะว่าเจอแสงไม่ได้มัน มันไประคายสายตามากพรประสาทตาเริ่มแย่ก็แปลกใจทําไมคนไข้คนนี้เขาไม่ได้มีความไกร์เครียวเหมือนกับคนทั่วๆไปที่เป็นมะเร็งแบบนี้หรือเป็นมะเร็งที่น้อยกว่า น, นี้แล้วได้คุยไปคุยมาเขาก็เล่าว่าเขาเป็นแต่ก่อนนั้นเขาก็ความเป็นมุ่งก็เสพเพลกินเหล้าสูบบุหรีนะ่ เอาแต่เที่ยวมีครอบครัวมีลูกก็ปรากฏว่าแตกแยกลูกก็ไปอยู่กับแม่เขาก็เล่านะความหลังด้วยความรู้สึกว่ายอมรับได้ว่าเพราะเหตุนี้แหละที่เป็นมะเร็งนี่ก็เพราะใช้ชีวิตแบบนี้แหละในใจของเสวอมันสมควรแล้วนะสมควรแล้วที่ต้องมาเป็นมะเร็งแบบนี้เพราะใช้ชีวิตแบบ ยําแย่มากแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เขาสงบได้นะเหตุผลสำคัญคือว่าเขาบอกว่าเขาคือเขาเปิดดู CN เตลอดเวลาพออยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ก็เลยเปิดแต่ CNN ดูข่าวพอเปิด CN เวันแล้ววันเล่าก็เลยได้เห็นว่าคุณเรานี่ไม่ว่าใครไม่ว่าเชื้อชาติภาษาใดมันล้วนแต่มีความทุกขนะ์บางคนก็ตายเพราะ แผนดินไายบางคนก็ตายเพราะไฟไหม้บางคนก็พิการเพราะน้ําท่วมหรือว่าเจ็บปวดนะเพราะว่าโรคระบาดนะคนเราก็รู้แต่มีความทุกข์ทั้งนั้นเขาก็เห็นทีละน้อยทีละน้อยว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความทุกข์ของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์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 แล้วก็ไม่ได้ทุรนทุนลายเหมือนกับสองคนแรกคนหนึ่งเข้าวัดนะทำบุญทำกุศลแต่ว่าตายแบบทุรนทุนลายอยีกคนหนึ่งเนะที่ยวเตนะแล้วก็มาเป็นมะเร็งร้ายแต่ว่าไม่ทุรนทุนลายทั้งในยามที่ป่วยหนักแล้วในเวลาจะตายอันนี้ก็ดูเหมือนไม่เป็นธรรมนะเข้าหาธรรมะแต่ว่าทำไมทรมาน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 ไม่แย่เท่าไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะเรื่องเล็กๆในน้อยถ้ายอมรับไม่ได้นี่มันทรมานนะแต่ถ้าเจอเรื่องใหญ่ๆแต่ใจยอมรับได้นี่ใจก็กลับสงบได้ในสายพุทธการนี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง น, ะนางกีสาโคตมีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมาก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 ทุกคนก็ปฏิเสธเธอก็ไม่ยอมนะใจนึ่งนี่ก็ทุกทรมานมากใจนึ่งก็มีความหวังเป็นความหวังลมแรงๆกอเลยไปก็มีคนแนะนําว่าให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจอคนที่มีความทุกข์แบบนี้คนที่ปฏิเสธความจริงแบบนี้ก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้ผลใจไม่เปิดรับก็เลยแทนที่จะสอนให้เห็นว่าธรรมะความตายเป็นเรื่องธรรมดา เกิแล้วก็ต้องมีแก่ต้องเจ็บต้องตายก็โป่งไม่ไม่สอนเลยจะกลับพูดว่าเนี่ยโุ่งรักษาได้ถ้าหากว่าเธอหายาถ้าเธอหาเม็ดผักกาดกับบ้านที่ไม่มีคนตายมาได้เดี๋ยก็อย่าทำมาปรุงเป็นยารักษาทำให้ลูกฟื้นขึ้นมาได้นางก็ดีใจก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านไปบ้านนั้นบ้านนี้ทุกบ้านก็มีเม็ดผักกาด แต่ว่าทุกบ้านก็มีคนตายเพราะสมัยก่อนคนตายกันที่บ้านบ้านนี้ลูกตายบ้านนี้ผัวตายบ้านนี้พ่อตายบ้านนี้ตาตายทุกบ้านมีคนตายทั้งนั้นเจอแล้ว น, นะเจอแล้วนเนธะอก็ยอมรับได้เออ ล, ลอลูกตายแล้วเพราะลูกตายแล้วในความทุกข์นี่มันหมดไปเลยนะมันหมดไปจากใจแล้วก็ลูกไปฝังเสร็จแล้วก็กลับไปกรับ พระพุทธเจ้าคราวนี้แหละพระองค์แสดงธรรมแล้วเพราะว่านางเริ่มเปิดใจแล้วแสดงธรรมว่าเนี่ยความตายย่อมนับน้ำป่าพัดพาผู้ที่หลับไหลชั้นใดนะความตายก็ย่อมพัดพาคนที่ติดในรูปเมียสามีทรัพย์สมบัติชันนั้นพอพูดเท่านี้แหละนางก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบัน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 เขาก็สูญเสียเหมือนกันก็คงคล้ายๆกับผู้ชายคนที่ว่าเป็นบมนเร็งแล้วก็เปิด CNN ดูก็เห็นคนมีความทุกข์กันมากมายก็เลยยอมรับความทุกข์ของตัวเองได้ให้เวลาเราเจออะไรที่มากระทบเจอเหตุร้ายขึ้นมาไม่ว่ากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินเงินทองของเรา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 ทุกมีความทุกกว่าตอนก่อนปฏิบัติธรรมใช่ไมไม่ใช่เพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันฟุ้งกว่าปกตินะอันนั้นก็ จ, จะมีส่วนแต่ว่าที่เป็นปัญหาหนักก็คือมีความคาดหวังว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องสงบ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 มันฟุ้งซ่านก็เอ่ยรู้มันรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้เฉยเฉยเพราะว่ามีความอยากอยากจะให้จิตสงบพอมันเกิดขึ้นเลยไม่ชอบเกลียดความฟุ้งซ่านพอเกลียดแล้วก็พยายามกดขม่มพยายามผับใส่ครนี้ก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อมันไม่ไปและที่จริงในยิ่งกดขม่มยิ่งผักใสมันก็ยิ่งดือ้อยิ่งท้าทาย ยิ่งต่อต้านเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งยุวันนี้พอมันอยู่มันไม่ยอมไป่อยิ่งทุกขเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่ชอบมันในาสาพุตรการนี่มีเรื่องราวของพระเทระพระเทรีหลายท่านนะที่ที่ถึงกับค่าตัวตายเพราะว่าไม่พบความสงบในจิตใจตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อ เพ่ อ, อชนะความทุกข์เพื่อจะได้ดับทุกข์นะแต่ว่าพอมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกที่ไหนทุกที่ใจใจไม่สงบใจผุ้มซ่านยอมรับไม่ได้ก็เลยท้อในการปฏิบัติธรรมกับฆ่าตัวตายแขวนคอบ้างเอามีดกรีดคอบ้างแต่ว่าบรุธรรมนะเพราะว่าตอนที่กำลังจะตายอตอนที่เจ็บปวดมากเนี่ยเห็นธรรม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 มันไม่ตายจากวัยรุ่นนะที่เป็นสิวไม่กินเมตนะ็ตแล้วก็มีความท้อแท้กับชีวิตมีความกุ้มหมวกุ้มใจฉนั้นที่คนละเรื่องเลยนะคนหนึ่งมีสิวนะอีกคนหนึ่งปฏิบัติทมแล้วจิตมันไม่ไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวไม่สงบอย่างที่คาดหวังแต่พอทำด้วยความแต่พอใจปฏิเสธเหมือนกันแล้วนะความทุกข์เดือกับกิริยาที่แสดงออกมันก็คลายกันท้อแท้ขดผู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 แค่รู้แค่ดูมันเฉยๆยอมรับมันวางใจเป็นกลางให้ยอมรับนี่ไม่ได้แปลว่ายอมจำนวนนะมันต่างกันเหมือนกับเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเราป่วยแล้วนะอย่าไปมัวแต่ตีโพลตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่เป็นมัวอดโอยยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ยอมจำนนหมายความว่าอะไรที่มันสามารถจะ